129าวัคขาวัะสัญญิปนรศกะว่าด้วยแบ่งพวกกันอยู่สำคัญว่าพร้อมเพียง15กรณีข้อ223ภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้ในอาวาสแห่งหนึ่งในวันปรวรณนานั้นมีพิกษุที่อยู่ในอาวาสหลายรูปแต่ประชุมกัน5รูปบ้างเกินกว่าบ้างภิกษุเหล่านั้นรู้อยู่ว่ายังมีพิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นที่ไม่ได้มาอยู่ ภิกษุเหล่านั้นมีความสําคัญว่าเป็นธรรมเป็นวินัยยังแบ่งพวกกันอยู่แต่สําคัญว่าเป็นผู้พร้อมเพรียงปรวรณาเมื่อภิกษุเหล่านั้นกําลังปรวรณาขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในวาดพวกอื่นมาถึงมีจํานวนมากกว่าภิกษุเหล่านั้นพึงปรวรณาใหม่พวกภิกษุที่ปรวรณาแล้วต้องอบัตทุกกฎวงเล็บหนึ่งภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ในอวัดแห่งหนึ่ง ในวัวนภารณานั้นมีภิกษุที่อยู่ในอาวาสหลายรูปขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวาสผู้อื่นมาถึงมีจํานวนเท่ากันภิกษุที่ภาวนาแล้วเป็นอันภาวณาดีแล้วภิกษุที่เหลือพึงภารณาพวกภิกษุที่ภารณาแล้วต้องอบัตทุกกดวงเลบสองภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ในอาวาสแห่งหนึ่งในวันภาวณานั้นมีภิกษุที่อยู่ในอาวาสหลายรูป ขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในวาดผู้อื่นมาถึงมีจํานวนน้อยกว่าพวกภิกษุที่ปรวาณาแล้วเป็นอันปรวาณาดีแล้วภิกษุที่เหลือพึงปรวาณาพวกภิกษุที่ปรวาณาแล้วต้องบัตทุกดวงเล็บสภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ในอาวาสแห่งหนึ่งในวันปรวาณานั้นมีภิกษุที่อยู่ในอาวาส ห, ห, ห, ห, ห, หลายรูปแต่ประชุมกัน5รูปบ้างเกินกว่าบ้าง ภิกษุเหล่านั้นรู้อยู่ว่ายังมีภิกษุที่อยู่ในอาวัตพวกอื่อนที่ไม่ได้มาอยู่ภิกษุเหล่านั้นมีความสําคัญว่าเป็นธรรมเป็นวินยัยยังแบ่งพวกกันอยู่แต่สําคัญว่าเป็นผู้พร้อมเพรียงพอภิกษุเหล่านั้นปวารณาเสร็จขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวัตพวกอื่อนมาถึงมีจํานวนมากกว่าภิกษุเหล่านั้นพึงปวารณาใหม่พวกภิกษุที่ปวารณาแล้วต้องอบัตทุกกดวงเล็บสี พอภิกษุเหล่านั้นพึงปรวรรณาเสร็จขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นมาถึงมีจํานวนเท่ากันพวกภิกษุที่ปรวรรณาแล้วเป็นอันปรวรรณาดีแล้วพวกภิกษุผู้มาทีหลังพึงปรวรรณาในสํานักของภิกษุเหล่านั้นพวกภิกษุที่ปรวรรณาแล้วต้องอบัตทุกกฎวงเล็บห้าขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นมาถึงมีจํานวนน้อยกว่าวงเล็บหก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 ยังไม่ทันลุกขึ้นขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวาสผู้อื่นมาถึงมีจํานวนมากกว่าภิกษุเหล่านั้นพึงปรวรรณาใหม่พวกภิกษุที่ปรวรรณาแล้วต้องอบัตทุกกดวงเล็บเจ็ดพอภิกษุเหล่านั้นปรวรรณาเสร็จบริษัทยังไม่ทันลุกขึ้นขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวาสผู้อื่นมาถึงมีจํานวนเท่ากันพวกภิกษุที่ปรวรรณาแล้วเป็นอันปรวรรณาดีแล้ว ที่มาทีหลังพึงปรบารณาในสำนักของภิกษุเหล่านั้นพวกภิกษุที่ปรารณาแล้วต้องอบัติทุกกฏวงเล็บ8ขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในวัดพวกอื่นมาถึงมีจํานวนน้อยกว่าวงเล็บ9พอภิกษุเหล่านั้นปรบารณาเสร็จบริษัทลุกขึ้นบางส่วนขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในวัดพวกอื่นมาถึงมีจํานวนมากกว่าวงเล็บ10บขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในวัดพวกอื่นมาถึงมีจํานวนเท่ากันวงเล็บ11 ขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในาวาดพวกอื่นมาถึงมีจํานว น, นน้อยกว่าวงเล็บ12บสอพอภิกษุเหล่านั้นปราวารรณาเสร็จบริษัทลุกขึ้นทั้งหมดขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในาวาดผู้อื่นมาถึงมีจํานวนมากกว่าวงเล็บ13บสาขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในาวาดพวกอื่นมาถึงมีจํานวนเท่ากันวงเล็บ14ขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในวาดพว้อื่นมาถึงมีจํานวนน้อยกว่าวงเล็บ15 วคาวคะสัญญิปนรัสกาจบ